ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นับบัดนี้ในตอนที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องการลงปฏิโมคของพระพุทธเจ้าแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นต่างกัน เช่นบางองค์เจ็ดปีครั้งหนึ่งบางองค์หกปีครั้งหนึ่งบางองค์หกเดือนครั้งหนึ่งส่วนในยุคของพระองค์เองลงทุกสิบห้าวันส่วนหลักคำสอนในโอวาทปฏิโมกนั้นมีหลักคำสอนเช่นเดียวกันคือให้เว้นจากความชั่วกระทาแต่ความดีทําจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอและบัทนี้เราก็จะได้มาฟัง ในเนื้อหาในตอนต่อไปต้องอยู่ในที่สงบสงัดไม่จุนจ้านพลุกพล่านต้องประกอบความเพียรทางจิตอยู่เสมอเพื่อละอกุโสลธรรมที่ยังมิได้ละ เพื่อบำเพ็ญกุศลที่ยังมิได้ทำให้เจริญโดยที่โอวาทปฏิโมก ค, คือพระโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันและลงกันได้อย่างสนิทอย่างนี้เองพระคันธรจนาจารผู้รจนาคำพีจึงกล่าวไว้โดยบุคลาทิปฐานว่าเมื่อพระสากยมุนีสเสวยข้าวมัทุปายาตของนางสุชาดา ในตอนเช้าแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขะแล้วพระองค์ได้นำถาด ท, ทองคำที่ใส่ข้าวมัทุปายญาตนั้นไปลอยเสียในแม่น้ำเนรัญชาราถาดนั้นลอยทวนกระแสไปหน่อยหนึ่งแล้วจมลงไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนเสียงดังคลิกพญานาคราชซึ่งนอนหลับเป็นเวลานา น, านก็ตื่นขึ้นพลางนึกในใจว่า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 เมื่อตรัสรู้ใหม่ๆและทรงดำริจะโปรดเวนยสัตว์ว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตไม่ใช่วิสัยแห่งตักคือคิดเอาไม่ได้หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดาแต่เป็นธรรมที่บรรดิตพอจะรู้ได้อันหนึ่งเล่าสัตว์ทั้งหลาย ส่วนมากยินดีในอะไรคือกามคุณสัตว์ผู้เห็นป่านนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานซึ่งมีสภาพบอกคืนกิเลสทั้งมวลทำตัณหาให้สิ้นดับทุกข์เราจะพึงแสดงธรรมหรือไม่หนอถ้าแสดงไปแล้วคนอื่นรู้ตามไม่ได้เราก็จะพึงลำบากเปล่าโอ้อย่าเลย อย่าประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเลยธรรมนี้อันบุคคลผู้เพียบแป่ไปด้วยราคะโทสะจะรู้ได้โดยง่ายมิได้เลยบุคคลที่ยังยินดีพอใจให้กิเลสยอมจิตถูกความมืดคือกิเลสหุ้มห่อแล้วจะไม่สามารถเห็นได้ซึ่งธรรมที่ทวนกระแสจิตอันละเอียดระนีตลึกซึง้งเห็นได้ยากนี้ ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงน้อมพระไทยไปเพื่อเป็นผู้อยู่สบายขนขวายน้อยไม่ปราถนาจะแสดงธรรมลำดับนั้น พระมหากรุณาซึ่งฝังอยู่ในพระกมะมนันบริสุทธิ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่พระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อขนเวนัยสัตว์ให้ข้ามห่วงมหนันโนคือความเกิดแก่เจ็บและตายได้เตือนพระไทยให้หวนลำลึกถึงพระปฏิญญาซึ่งพระองค์ทรงให้ไว้แก่โลกพระไทยกรุณาได้ทูลพระองค์ว่าทำอันไม่บริสุทธิ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 ผู้ยังก้าวล่วงความโศกไม่ได้ถูกชาติชาราครอบงำคล่ำคล้วนอยู่พระองค์เป็นประดุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นมูชนได้โดยรอบโปรดลุกขึ้นเถิดพระมหาวีระผู้ชนะสงครามภายในแล้วพระองค์ผู้ประดุษนายกองเกวียนผู้สามารถนำสัตว์ให้ข้ามพ้นห่วงอันตรายพระองค์เป็นผู้ไม่มีหนี้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 เมื่อท่านไม่สามารถตัดสินตกลงใจได้ด้วยตนเองจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูล ถ, ถึงข้อสงสัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตว์ปรุษนั้นแหละสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลม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 ซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงฆ์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่และน้ำใดๆก็ตามไม่อาจชำระมวลถินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมวลถินของตนได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันทร์แดงหรือแสงจันทร์อันยองใหญ่หรือ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 เพียงแต่กลิ่นกายของพิสุผู้มีศีลอย่างทำความปราโมทแกทวยเทพทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ถึงกลิ่นแห่งศีนเล่าสักการะแม้น้อยแต่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมอํานวยผลไพศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหมือนภาชนะสำหรับรองรับสักการะของทายกจิตของผู้มีศีลย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานอันเยือบเย็นเต็มที่ มนุษย์ผู้หลงไหลยอยู่ในโลกียรมพงมต่อความบันเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพสมบัติชาตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟืยยศศัก์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอภรรที่ต้องใจอำนาจและความทะ น, นงตนทั้งหมดนี้ทำให้บุคคลมีในตาฝ้าฟาง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 ย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็พระอานน์นี่เองเป็นผู้อำนวยความสุขความสะดวกแก่ภิกษุในพุทธ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 จะมีมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะมีผืนใหม่ต้องสละผื้นเก่าไปทำอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือทำเพดานทั้งนี้เพื่อให้ภิกษุสาวกไม่สะสมจีวรไว้เกินจำเป็นและเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษอยู่อย่างเบาสบายประพฤตตนดุจสกุณามีบาทและจีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสอง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 เวลานี้สารีบุตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาเกตพระเจ้าข่าพระอนุนทูลประมาณกี่วันสารีบุตรจึงจะมาถึงนี่ประมาณสิบวันพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเก็บไว้เถิดรอคอยสารีบุตรพระศาสดาตรัสและแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์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 เอาชนะผู้สูงศักด์ด้วยความอ่อนน้อมเอาชนะผู้ต่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟือ้อเอาชนะศัตรูด้วยการยุให้แตกความสามัคคีเอาชนะสตรีด้วยการหวานล้อมถ้อยคําหวานให้เกิดความสงสารและเห็นใจพร้อมด้วยคํามั่นสัญญาที่ชวนฟังจริงทีเดียวความรักของสตรีมักจะเข้าทางหู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 ยังเป็นความจริงที่ค้านได้โดยยากอยู่ด้วยเหตุนี้กระมังสตรีทั้งหลายจึงทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์และกำลังกาย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 ซึ่งย่อมมีวันเหี่ยวแห้งโรยราแต่ความดีเป็นสิ่งไม่จืดรสแห่งความดีงามเป็นรสที่ไม่รู้จักจืดจางคอยผูกมัดรัดรึงดวงจิตให้กระชับแน่นจนสุดที่จะถ่ายถอน บัดนี้เวลาของรายการใกล้สิ้นสุดลงแล้วเราก็ฟังมาถึงวิธีการเอาชนะใครต่อใครหลายวิธีด้วยกันวิธีสุดท้ายเอาชนะสตรีด้วยการหวานล้อมถ้อยคำหวานให้ความรักของบุรุษมาเข้าทางตาความรักของสตรีมาเข้าทางหูด้วยเหตุนี้เองสตรีส่วนมากจึงชอบประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงามอยู่เสมอ วันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าค่อยติดตามตอนต่อไปมูลนิธิธรรมสันติซึ่งตั้งอยู่ที่67ทับหนึ่งซอยประสาสนศิลป์คลองกลุ่มบางกะปิกรุงเทพขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่าความสิ้นตัญหาย่อมชนะทุกทั้งปวง เจริญธรรม